เป็นเหมือนกับชีวิตในความฝันและท้าคำว่าผุดเกิดนั้นจะให้มีความหมายว่าผุดขึ้นในที่ว่างซึ่งความหมายว่าอยู่ๆก็มีคนโผล่ขึ้นมาในที่ว่างอย่างนี้ก็พอจะใกล้เคียงกับความจริงคนเราเมื่อนอนหลับและจะต้องฝันทุกคนซึ่งบางคนเมื่อตื่นขึ้นมาแล้วก็จำได้แต่บางคนก็จาไม่ได้ จะจำได้หรือไม่ได้ก็ตามแต่ทุกคนก็จะต้องฝันแม้แต่เด็กๆ ก, ก็ฝันตามหลักในคำพีกล่าวว่าผู้ที่นอนหลับและไม่ฝันมีอยู่ประเภทเดียวคือพระอรหันต์เท่านั้นทั้งนี้เพราะพระอรหันต์ละสั่งโยน์ซึ่งเป็นต้นเหตุของความฝันคืออุทจจะได้เด็ดขาดส่วนบุคคลนอกจากนี้ยังละอุทจจะไม่ได้โปรดสังเกตว่า อุทธจัมีที่มาสองแห่งคืออุทธจัที่เป็นนิวร์กับอุทธจัที่เป็นสังโยชนายเหตุอุทธจัตตามสับปลายว่าความฟุ้งซ่านแห่งจิตเป็นความไม่สงบแห่งจิตความวุ่นวายใจความพล่านแห่งจิตซึ่งเป็นข้อหนึ่งในนิวร์หและเป็นข้อหนึ่งในสังโยชนิวร์ คือสิ่งที่กั้นไม่ให้ก้าวหน้าในคุณธรรมทมที่กั้นจิตไม่ให้บรรลุคุณความดีอกุศลธรรมที่ทำจิตให้เศร้าหมองและทำปัญญาให้อ่อนกาลังสังโยชน์คือกิเลสที่ผูกมัดใจสัตว์ทมที่มัดสัตว์ไว้กับทุกข์อุทจจะในนิวรนนั้นเป็นสิ่งที่แม้แต่คนธรรมดาที่สามารถเข้าฌานก็ละได้แต่อุทจจะที่เป็นสังโยชน์นั้น จะมีแค่พระอาหารหันต์เท่านั้นที่ละได้ซึ่งอุทธจักความคิดฟุ้งซ่านในสังโยชน์นั้นจะเป็นความหมายขั้นสูงแตกต่างจากอุทธจักในนิวรเป็นความคิดที่พรุงแต่งขึ้นเองในเรื่องที่ไม่มีเจตนาคติเพราะขาดสติในการควบคุมความคิดความฟุ้งซ่านในธรรมหรือเรื่องต่างๆเพียงเล็กน้อยที่ไม่มีข้อมูลด้านกิเลสเจือปนอาจเรียกว่าเป็นกิเลสขั้นละเอียด จึงไม่พึงสับสนระหว่างอุทจจาคมความฟุ้งซ่านที่เป็นนิวรณ์กับอุทจจะที่เป็นสังโยชนะครับโปรดสังเกตว่าอุทจจามีที่มาสองแห่งคืออุทจจะที่เป็นนิวรณ์กับอุทจจะที่เป็นสังโยชน์คนใดถ้าหากมีอุทจจะอยู่ในสันดานมากความฝันก็เปะปะมากคนใด ถ้าหากมีอุทธจัน้อยความฝันก็เปรกปะน้อยและถ้าหากคนใดในขณะที่นอนหลับมีสมาธิดีความฝันก็ชัดเจนและอาจจะติดต่อกับโอปปาติกาได้แต่อย่างไรก็ตามขอให้เข้าใจว่าบุคคลที่ยังมีอุทธจะและยังจะต้องฝันนี้เป็นเพราะเหตุที่ยังละตันหาอุปาทานไม่ได้เมื่อยังละตันหาอุปาทานไม่ได้ ในเวลานอนหลับจิตก็จะต้องมีอารมณ์จิตจะว่างจากอารมณ์ไม่ได้เพราะเหตุนี้จึงยังต้องฝันหมายเหตุคือที่คิดว่าหลับสนิทไม่ฝันนั้นบางครั้งคือฝันมากแต่ที่เข้าใจว่าไม่ฝันเพราะจำไม่ได้ซึ่งอาจเป็นตัววัดหนึ่งนะครับว่าเป็นผู้มีสติหรือขาดสติรุนแรงแค่ไหนหลายคนที่คิดว่าไม่ฝันนั้น ความจริงฝันหลายเรื่องรวมกันเปะปะไปหมดบางคนแค่เมื่อวานกินอะไรเจอใครพูดอะไรทำอะไรไว้บ้างก็ยังแทบจำไม่ได้เมื่อฝันหลายเรื่องซ้อนไปซ้อนมาหรือไม่มีอะไรน่าประทับใจก็เป็นธรรมดาที่จะจำไม่ได้ทุกคนตายแล้วจะต้องเกิดเป็นโอปปาติกะชีวิตของโอปปาติกะคล้ายกับชีวิตในความฝัน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 สมรรถภาพของวิญญาณในการสร้างสรรค์ชีวิตยังคงอยู่ที่ร่างกายส่วนชีวิตที่เรียกว่าโอปปาติกะเป็นมโนภาพที่มีชีวิตก็เพราะวิญญาณได้ละออกจากร่างกายแล้วสมรรถภาพในการสร้างสรรค์ชีวิตของวิญญาณได้ถูกถอนออกมาหมดแล้วเพราะฉะนั้นมโนภาพที่เกิดจึงเป็นชีวิตที่สมบูรณ์เหมือนกับชีวิตจริง คนที่เข้าใจเรื่องมโนมนยิธิจะมองเห็นความจริงข้อนี้ได้ง่ายมากมโนมนยิธิหมายถึงฤทธิ์ทางใจคือนิรมิตกายอื่นออกจากกายนี้ได้เหมือนชักดาบออกจากฝักหรืองูออกจากคราบซึ่งคนทั่วไปมักเรียกว่าการถอดกายทิพต์แต่ความจริงไม่ใช่การถอดกายทิพต์หรือวิญ ญ, ญาณออกมา เป็นการนิรมิตกายขึ้นมาอีกกายหนึ่งที่เป็นกายทิพย์ชีวิตที่เรียกว่าโอปปาติกะก็คือชีวิตที่คนทั่วไปเรียกว่าผีสางเทวดาเทพเจ้าพรหมผู้ศักดิ์สิทธิ์พวกสันว์นรกเปรตอสุรกายหรือยักษ์เหล่านี้เป็นตน้นรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องโอปปาติกะ